เวลาแห่งอาวชนจิตคือจิตคำหนึง่งก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นตื่นด้วยเสียงของมะม่วงนั้นเวลาที่จกักกุพปญญ า, ยาเป็นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดูเวลาแห่งสัมปฏิชนจิตคือจิตรับก็เหมือนกับเวลาที่บุรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วงเวลาแห่งสันติระจิตคือจิตพิจารณา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 จิตดำเนินไปอยู่16ขณะจิตคือเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบประสาทและกระทบเข้าไปถึงจิตที่กําลังตกภวังอยู่นั้นจิตก็เคลื่อนจากผวังเรียกว่าภาวังกัจจลนะและก็ตัดขาดจากภาวังเรียกว่าภาวังกัจุปัจเฉ ท, ทะนี้รวม2ขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็คำนึงอารมณ์เรียกว่าอาวัจนะจิต อีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็เห็นหรือได้ยินอารมณ์อันเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็รับอารมณ์เรียกว่าปฏิติชนะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่าสันติรณะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็กำหนดอารมณ์เรียกว่า โวตทวนะอีกหนึ่งขนะจิตต่อจากนั้นจิตก็แล่นไปในอารมณ์เรียกว่าชวนะอีกเจ็ดขนะจิตต่อจากนั้นจิตก็หน่วงอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าตะทาลนลำพณะอีกสองขนาดจิตรวมเป็น16กขนะจิตแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนมากมากระทบประสาทกระทบถึงจิตทาให้จิตเคลื่อนไหวจากผวัง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 ที่เรียกว่าขณะจิตหนึ่งนั้นประกอบด้วยลักษณะ3คือ 1. หอุ ป, ปาทะเกิดขึ้น 2. ทิ่ติตั้งอยู่ 3. พังคะทาลายหรือดับไปจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรียกว่าขณะจิตหนึ่งหนึ่งขณะจิตทั้ง16ขณะจิตดังกล่าวมานั้นแต่และขณะจิตก็ต้องมีเกิดมีตั้งมีดับ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 จะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่เป็นตัวรูปธรรมนั่นเองหรือว่าจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ยังไม่ได้ค้นให้แน่ชัดแต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้คือว่าอย่างโรคที่มากระทบจากกูประสาทมาเริ่มเป็นภวังคาจรนะคือจิตเคลื่อนจากผวังเป็นต้นจนถึงตถาลําพนะคือน่วงอยู่ในอารมณ์นั้น รวมเป็น16ขณะจิตดังกล่าวมาแล้วและท่านนับกับขณะจิตในอดีต ท, ที่เป็นหัวต่อเชื่อมกันอยู่อีกหนึ่งจึงเป็น17ดขณะจิตถ้าเป็น17ดขณะจิตดังนี้ก็รวมก็เป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งแปลว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้งห้านั้นก็นับว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นดำรงอยู่ในจิตได้อย่างช้าที่สุดก็เพียง17ขณะจิต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 เป็นมโนภาพเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นเมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมนโนภาพเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นมาผุดขึ้นกระทบมโนทวารก็กระทบถึงจิตทําให้จิตเคลื่อนจากพวังเป็นผวังขจรนะณะและตัดจากผวังเป็นพวังุปัจเจธาสองขณะจิต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 ลักษณะของจิตดังที่กล่าวมานี้เมื่อกล่าวถึงจิตที่ปฏิสนธิในเบื้องต้นเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตที่เคลื่อนในที่สุดเรียกว่าจุติจิตเพราะฉะนั้นจึงเติมหน้าเติมหลังเข้าอีกสองรวมเป็นกิจคือหน้าที่ของจิตทั้งหมดก็เป็น14คือ 1. ปฏิสนธิ 2. อวังคะ 3. อาวัชณนะคำหนึ่งส ทัศนะเห็น 5. สวนะได้ยิน 6. คายะได้กลิ่น 7. สานะได้รส 8. ผดภูษณะถูกต้อง 9. สัมปติชนะรับ 10. สันติรณะพิจารณา 11. โ ว, วทวะณะหรือโวธพะณะกำหนด 12. ชวนณะเล่นไป 13. ตะทาลัพนะณะหน่วงอารมณ์นั้น 14.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 หายใจออกคือให้รู้รูปกายว่าบัดนี้รูปกายของเรานั่งอยู่ด้วยอิรรยาบทนี้โดยท่านี้และมีขอบเขตเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนสุดสศีรษะเบื้องตำ่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงสุดที่นั่งและที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นอนาเขตของรูปกายมีเท่านี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง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 เช่นการฆ่าสัตว์บูชายันมีความเชื่อว่าได้บุญหรือจะทําให้เทพโปรดปราดเมื่อทําไปก็มีโสมนัสคือยินดีแต่ว่าในบางคราวก็มีโทมนัสคือยินร้ายเช่นมีเหตุจําเป็นให้ต้องทําบาปแต่ก็จำต้องทำหรือว่าการทําบาปของบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยมูลคือโทสะจิตที่มีโทสะนั้น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 แต่ว่าในบางคราวก็ประกอบด้วยยานะคือความรู้ถูกคือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ทำเช่นว่าทำเพราะลุ้อา น, นาจแห่งความโลภความโกรธความหลงโลภขึ้นมาทั้งรู้ว่าบาปก็ทำเพราะต้องการจะได้แต่ว่าก็มียานะคือความรู้เหมือนกันว่าเป็นบาป